ตอนการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของสัตว์แปลจากนิตยสารเฟดเดือนกุมภาพันธรีจักร1970